สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่เก้าสิบสามพระเจ้ของพระเจ้าอยู่ในสุภาษิตบทที่สิบหกข้อแปดถึงข้อที่เก้าสุภาษิตบทที่สิบหกข้อแปดถึงข้อที่เก้าโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้ามีแต่น้อยแต่มีความชอบธรรมก็ดีกว่ามีรายได้มากด้วยอยุติธรรม ใจของมนุษย์กะแผนงานทางของเขาแต่พระเจ้าทรงนำย่างเท้าของเขาพี่น้องครับโยยู้ช่วยนัของพระเจ้าในวันนี้จะขอแบ่งเป็นสองตอนครับในข้อที่แปดจะแบ่งเป็นการแบ่งปันในวันนี้ในข้อที่เก้าจะแบ่งเป็นการแบ่งปันในวันพรุ่งนี้วันนี้นะครับขอในข้อที่แปดมีแต่น้อยแต่มีความชอบธรรม ก็ดีกว่ามีรายได้มากด้วยอยุติธรรม it is better to have a little honesty and earn than to have a large income dishonestly gained พี่น้องครับเราทุกคนนั้นแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าใช่หรือไม่ครับแต่การได้มาซึ่งชีวิตที่ดีกว่านั้น โดยมีต้นเหตุก็คือจากความถูกต้องชอบธรรมหรือเราจะมีชีวิตที่ดีกว่าที่จุกสบายที่เกิดจากการร่ำรวยเงินทองอันนี้คือสิ่งที่เราจะเลือกใช้เป็นเครื่องมือครับเราจะเลือกใช้เครื่องมือแบบไหนเราจะมีชีวิตแบบไหนเราชีวิตที่ดีขึ้นแต่จะได้มาจากเงินทองหรือจากความชอบธรรม นี่คือทางเลือกครับพี่น้องครับในชีวิตของเรานั้นถ้าเราปรารถนาที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นพัฒนายกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นแต่ถ้าเรามีชีวิตปรนีนิบนตมนะครับระหว่างความร่ำรวยได้มาซึ่งความร่ำรวยโดยไม่เลือกความชอบธรรมหรือเลือกเอาความชอบธรรมบ้าง และเราตั้งเป้าเอาความร่ำรวยมาก่อนเราจะกลายเป็นคนโง่ครับเพราะเจนะของพระเจ้าได้พูดชัดเจนครับในข้อที่แปดนี้บอกว่าให้เรามีแต่น้อยแล้วมีความชอบธรรมก็ดีกว่ามีรายได้มากร่ำรวยและไม่มีความยุติธรรมพี่น้องครับใครบางคนนะครับยอมที่จะได้รายได้น้อยลง เพื่อรักษาความชอบธรรมเขาคนนั้นเป็นคนฉลาดมีสติปัญญาครับพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับชีวิตของผู้คนทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้แต่เขาเลือกความนั่งรวยมาก่อนในที่สุดมั่นปลายชีวิตเราจะเห็นความโง่เขาของการเลือกของเขาแต่ในใครขณะที่ใครบางคนยอมที่จะเลือกความชอบธรรมมาก่อน เราจะเห็นว่าในที่สุดเขาเป็นคนฉลาดครับถามว่าทำไมเพราะว่าในพระธรรมสุภาษิตนี้เป็นความจริงที่คนของพระเจ้านั้นได้เห็นและได้ศึกษาชีวิตกันมานานได้สังเกตชีวิตของคนต่างๆมากมายและเขาก็บอกว่าชีวิตนั้นก็เลือกได้ครับและในการจัดลำดับความสาคัญก่อนหลังของการเลือกอย่างถูกต้อง ทำให้เขานั้นสามารถประสบความสำเร็จได้พี่น้องครับคนที่รู้จักเลือกนะอะไรสำคัญก่อนหลังนะเขาจะสามารถเลือกได้อย่างฉลาดถูกต้องตรงนี้แหละครับที่คนฝรั่งเขาเรียกว่า set priority ก็คือคนที่รู้จักจัดความสำคัญจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังทำให้เขาสามารถเลือกชีวิตที่ฉลาด และทําให้ประสบความสําเร็จในที่สุดพี่น้องครับพระเจ้าได้ทรงวางระบบคุณค่าการให้คุณค่าการตีราคานะครับโดยการจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังให้กับมนุษย์ก็คือว่าให้เราเลือกพระเจ้าก่อนมัทธิวบทที่หกข้อสามสิบสามครับถ้าเราเสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าชสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน ชัดเจนครับโซโลมอนได้ยืนยันสิ่งเหล่านี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วของเขาจากการสังเกตชีวิตของคนอื่นอีกมากมายมีเพียงแต่บรรดาคนที่ยิ่งใหญ่คนที่จะประสบความสําเร็จเขาจะวางการจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังของเขาไว้กับประเจ้าคนเหล่านี้จะสามารถเลือกได้อย่างฉลาดครับการเลือกอย่างฉลาดนั้น จะต้องเลือกให้เอาความชอบธรรมไว้ก่อนให้ความชอบธรรมมาก่อนมาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างครับเลือกพระเจ้ามาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างก่อนความร่ำรวยใครก็ตามที่เลือกพระเจ้ามาก่อนความร่ำรวยนะครับชีวิตของเขาจะดีขึ้นสามประการต่อไปนี้ประการแรกครับ <c oughs> เขาจะเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นเขียนในชัดเลยครับว่าใครที่เลือกความชอบธรรมก่อน จิตใจของเขานั้นจะมีความสุขเขาจะรับการเติมเต็มมากขึ้นมีความพึงพอใจมากขึ้นมีสันติสุขและความชื่นชมยินดีมากขึ้นโดยที่เขาไม่มีความรู้สึกผิดหรืออับอายใดๆเลยผลกระทบการเลือกอย่างถูกต้องทำให้ผลของการเลือกเจ้าของที่เลือกหรือตัวเจ้าตัวที่เลือกเขาจะไม่รู้สึกผิดครับเขาจะมีความชื่นชมยินดี มีความสุขใจมีความพึงพอใจดํารงกับชีวิตของเขาตลอดประการที่สองครับสิ่งดีประการที่สองชีวิตของเราจะดีขึ้นเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงเห็นด้วยกับเราพระเจ้าแอบโครฟชีวิตของเราแล้วพระเจ้าจะทรงอวยพรชีวิตของเราให้เรามีชีวิตตามมาตรฐานความชอบธรรมของพระเจ้าถ้าเรามีชีวิตแบบนี้พระพร ที่มาจากพระเจ้านั้นจะหลั่งไหลาจากฟ้าสวรรค์มาถึงพวกเราประการที่สามครับเรากำลังวางมาตรฐานสร้างมาตรฐานชีวิตให้คนอื่นพบคนอื่นเห็นครับและการพบเห็นตรงนี้จะทำให้เรากลายเป็นตัวอย่างที่พวกเขาจะเอาเราเป็ไอดอลเป็นตัวแบบครับของการประสบความสาเร็จพี่น้องครับเป็นความสุขอย่างยิ่งนับเป็นความชื่นชมดีอย่างยิ่ง ที่ชีวิตของเรานั้นกลายเป็นไอดอลให้กับคนอื่นเหมือนกับที่พระเยซูคริสต์เป็นไอดอลกับของเราเราจะดำเนินเราจะสร้างมาตรฐานชีวิตให้กับคนอื่นแล้วกํำลังสร้างสาวกอยู่พี่น้องครับสาวกนั้นไม่ใช่เป็นสาวกของเราแต่เป็นสาวกของพระเยซูเพราะฉะนั้นมีเพียงคนบางคนครับไม่กี่คนเท่านั้นที่จะมีชีวิตเช่นนี้ได้ มีเพียงบางคนที่สามารถมีชีวิตเช่นนี้ได้โดยการที่ในที่สุดแล้วเขายืนถวายรายงานยืนอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าและขณะที่เรายืนอยู่ต่อหน้ามนุษย์เราก็สามารถที่จะประเชิญกับสิ่งต่างที่อยู่ในโลกนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าการจัดลำดับความสำคัญของโลกและของพระเจ้านั้นต่างกันครับเพราะฉะนั้นจึงต้องเลือก พี่น้องครับเพราะว่าการจัดลําดับความสําคัญของโลกและการจัดลําดับความนสำคันแบบปราช้์ต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกโลกมองดูอะไรครับโลกจัดลําดับความสําคัญมองดูที่ประวัติการศึกษาคุณมีประวัติการศึกษาเป็นยังไงประวัติการทํางานเช่นกันครับโลกก็ดูว่าคุณเคยทํางานอะไรมา ก, ก่อนคุณมีอาชีพอะไร ตัวเลขในธนาคารคุณร่ำรวยไหมบ้านหลังใหญ่โตรหรือเปล่าหรือแม้แต่คนอายุมากก็ดูว่าชีวิตหลังกเกษียณของคุณเป็นยังไงมั่นคงหรือเปล่าแต่โลกนั้นไม่ได้ให้น้ำหนักของความชอบธรรมของพระเจ้าเลยไม่ได้ให้น้ำหนักของความถูกต้องของเงินทองที่ได้มาเลยไม่ได้ให้น้ำหนักของเกีดยรติยศศักดิ์ศรีที่ได้มาเลยหรือไม่ได้ให้ความถูกต้อง อำนาจที่คุณได้มาเลยพี่น้องครับเห็นไหมครับว่ามาตรฐานของพระเจ้านั้นต่างจากมาตรฐานของโลกมาตรฐานของพระเจ้าทางของพระเจ้านั้นเป้าหมายสุดท้ายเลยคือความสุขใจครับและในระหว่างการดำเนินไปสู่เป้าหมายกระบวนการนั้นก็จะคือมีการมีชีวิตที่บริสุทธิ์เหมือนพระเยซูมากขึ้นและการได้ทาสิ่งที่เป็นพระบัญชาของพระเยซู นั่นก็คือการประกาศนำวิญญาณการเลี้ยดูพัฒนาชีวิตของพี่น้องและการสร้างสาวกเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อแผ่นดินของพระองค์จะได้ขายายออกไปสิ่งต่างเหล่านี้ครับเราจะเห็นนะครับว่าความชอบธรรมนั้นมีคุณค่าสูงยิ่งและมากกว่าเงินทองการทำให้พระเจ้าพอพระทัยนั้นมีความสาคัญมากกว่าความมัง่งคั่งดังนั้นการตัดสินใจของเรา มีความสําคัญมากในการเลือกตัวอย่างเช่นระหว่างคิดเราจะเลือกใช้เวลาทําอะไรไปโบสถ์หรือไปทําอย่างอื่นในการที่เราจะต้องเลือกระหว่างการเสริมสร้างชีวิตของผู้คนมีชีวิตที่เสียสละโดยการรับใช้ของเราแทนที่จะไปพักผ่อนไปประกอบอาชีพไปทํางานไปทํางานล่วงเวลาเราควรเลือกที่จะมีชีวิตที่ใช้เวลาในการอธิษฐาน อ่านพระคมพี์ตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอหรือเอาชีวิตไปอยู่กับสิ่งของอำนวยความสะดวกเอ็นเตนเมนต์ทั้งหลายการที่เราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ปราศจากความบาปครับถ้ า, ากเกงกลัวพระเจ้ายำเกงงพรงให้พร้อมมาก่อนโดยการมีชีวิตที่เชื่อฟังและดำรงอยู่ในความชอบธรรมชีวิตของเรานั้นก็จะนำมาซึ่งพระพรฝ่ายวิญ ญ, ญาณครับและเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นด้วยอาเมน